ท้นผังที่ครบคะครายการนี้สันสนีสนทนานะคะดำเนินโดยดาเนินรายการโดยพี่สันสนีนาฏผงอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทอเอเมร้อยหคะ่ะเรนเองเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนบ ด, ดินเดชานะคะตอนช่วงมัธยมปลายกระจบมานานแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> จบมานานมากเป็นรุ่นพี่ ของคุณณวัดคนดั ง, งช่องสามอยู่หลายปีทีนี้เมื่อไม่นานก็มีครูบาอาจารย์ในยุคนั้นซึ่งไม่ได้พบกันนานแล้วท่านก็โทรมาท่านโทรมาเนี่ยเพราะว่าโย่คุณแม่ของท่านเสียและท่านก็บอกว่าท่านฟังรายการเนี้ยเป็นประจาก็อยากจะได้สาระจากรายการหรือว่าในสิ่งที่ดีท่านได้สัมผัสกั บ, กบธรรมะพวกเนี้ยเอาไปใส่ในหนังสือที่ระลึกงานศพคุณแม่ น่าเสียดายอยู่ที่ว่าการติดต่อของเราเนี่ยค่อนข้างช้าก็จึงทําให้เวลามันกระชั้นสําหรับการจะทําสื่อแล้วแต่ก็ดีใจนะคะที่ได้ทราบว่าดิฉันก็ได้มีโอกาสตอบแทนท่านโดยไม่ตั้งใจก็คือท่านเคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้เรามามาถึงตอนนี้ในรายการนี้มีพระคุณเจ้าที่ดิฉันอาราธนามาจัดรายการแล้วก็ทําให้ท่านได้ความรู้เกี่ยวกับ ผู้ทว่าจะนัเพิ่มเติมถ้าถ้าอาจารย์ฟังอยู่ก็อยากจะกลับเรียนรู้สิในภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้ทําหน้าที่นี้เช่นเดียว ก, กันกับที่ได้ภาคภูมิใจที่ได้จัดรายการให้กับท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะค่ะแในตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะไปพบกับพระอาจารย์ของเราอีกรูปหนึ่งนะคะนั่คือพระภพบูรณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธานีน้มัสการกัท่านคะเจ้าบ้าน ดีแล้วคือใครที่ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนะก็จะเป็นทางมาที่จะทําให้เราจิตละเอียดลงไปหรือยดยเพื่อนี้คนที่ปฏิบัติอนาปานสติตั้งแต่ช่วงท่านมาเนี่ยการทรงสุดตาสังสงสุดตาเนี่ยจะทําให้สามารถละทําให้อกุปธะอกุปธธรรมนะให้เกิดขึ้นได้คือทำอันไม่กลับกับเริบเกิดขึ้นได้ค่ะท่านพบูลค่ะวันนี้จะกลับเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัตินะก็แล้วกันนะคะดีเหมือนกัน คือเหมือนบับว่าคอร์สปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยก็กำลังจะมาถึงใช่วันส <31. S 1> ามสิบเ็ดมีนาอ่าสามสมีมนานี้แล้วถูกไหมคะทีนี้อ่าในการปฏิบัติเราก็จะไม่ค่อยได้ยินหมายถึงว่าสำหรับคอร์สของท่านเนี่ยมไม่ได้ยินการพูดถึงคำว่าสมถะและวิปัสสนาหรือว่าท่านพูดแล้วที่ท่านไม่ได้ไปรือไม่ได้ยินมีอยู่นะ ก็จ ะ, oh, ะ, ะอ๋อะอ่าคะ่ะถ้าอย่างนั้นก็มาถึงเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยว่ามีสมถะกับวิปัสสนามสมถะกับวิปัสสนาถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักเลยคืออะไรคะโอสมถะก็คือการทำให้จิตสงบนกะารทาให้จิตสงบนิ่งเป็นอารมณ์เดียวอันนี้คือสมถะอ่า พระพุทาบางทีก็ใช้คําว่าเอกคัตาจิตนะัคืออจิตที่เป็นอารมณ์เดียวก็คือสมถะเหมือนกันบางทีก็ใช้คําว่าเจโตสมถะในภายในนั่นะก็คือสมถะเหมือนกันอย่างนี้คือกลุ่มของสมถะอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของวิปัสสนาใช่ไหม<แ>ที่คุณยมจือจะพูดถึงวิปัสสนานี้ก็คือการเห็นตามที่เป็นจริงบางทีพระพุทธาเขาใช้คําว่าอาธิปัญญาธรรมวิปัสสนา แต่บางทีก็ใช้คำว่าเห็นตามที่เป็นจริงแต่บางชีก็ใช้คําว่เาเขาเรียกว่าญาณเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงก็มีค่ะเพะฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนาคือการปฏิบัติตามแนวทางคําสอนของพระาศาสดาก็ะอาหารหันตสตั้งสมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวแบบให้ความหมายของคําว่าสมถะคือการที่จิตมีอารมณ์เดียวถ้าพูดแบบนี้ ชันชันได้ไหมคะใช่ใช่จิตสงบนิ่งมีอารมณ์เดียวอืถูกต้องส่วนแต่แต่ถ้าขยับไปถึงวิปัสนาแล้วออืยังมีอารมณ์เดียวอยู่ไหมค ะ, ะวิปัสนานี่ก็จะเห็นตามที่เป็นจริงนะอะคือหมาย ว, ามว่าอารมณ์เนี่ยมันก็จะต้องเป็นอารมณ์เดียวตลอดเวลานะหมายความว่าคุณจะเห็นตามที่เป็นจริงได้เนยคุณต้องมีจิตเป็นอารมณ์เดียวค่ะเอาเอาพูดใหม่ให้เข้าใจอีกทีหนึง่งบางทีเราพูดถึงจิตที่นิ่ง<อ>นิ่งเป็นอารมณ์เดียวเนี่ย คือผู้เช่าพูดถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาไดทั้งหมดเดอย่างนี่นะแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่นั้นะจิตที่เป็นหนึ่งนั่นแนะคือสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นในสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะต้องมีอสมาธิทิฐิอยู่ด้วยอ่านั่นก็คือมีวิปัสสนาอยู่ด้วยคุณถึงจะทําวิปัสสนาได้ถ้าคุณจิตไม่สงบเนี่ยอันนั้นไม่เรียกว่าวิปัสสนาอันนั้นคือนึก เ, ยเฉยๆค่ะอืมเพราะฉะนั้นบางทีถ้าหากว่า ปฏิบัติปฏิบัติไปลักษณะของการปฏิบัติที่ได้พบว่ามันนิ่งเป็น อ, อารมณ์เดียวอยู่แต่มันยังไม่เห็นอะไรตามที่เป็นจริงก็แปลว่าเราอยู่ที่ส ม, ะมถะนอกจากนี้ดิฉันอยากจะกราบเรียนถามท่านนะว่าคนปฏิบัติไงคะ่ะจะรู้ได้อย่างไร ว่าขณะนี้เนี่ยเราได้ก้าวไปสู่วิปัสสนาแล้วมีลักษณะเฉพาะที่เข้าใจได้มากขึ้นมากกว่าที่ท่านอธิบายเมื่อสักครู่ไหมคะจะปล่อยวางได้คุณจะปล่อยวางได้ถ้าคุณจเจริญสมถาวิปัสสนาไปพร้อมๆกันแล้วนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตเราคือจิตเราจะเบานจะปล่อยวางได้จะเป็นผู้ที่อยู่ในสุขวิหารธรรมในขณะนั้นได้เช่นอะไรเอาง่ายๆคุณโดนด่าเสียงมากระโถงหูโบขึ้นมาเนี่ยเฮ้ย เราด่าแล้วนี่ยวะเราไม่ได้ทําเลยนะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเราเราเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่ถ้าอารมณ์ที่เกิดนั้นเป็นอารมณ์เดียวนิ่งอยู่อารมณ์เดียวแสดงว่าอารมณ์นั้นเป็นสมถะแต่ถ้าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์เดือดอารมณ์ร้อนอารมณ์เครียดแค้นอันนั้นเป็นราคะอโทศกอันนี้เข้าใจอยู่เนาะทีนี้ถ้าเรานิ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวได้เราเห็นตามที่เป็นจริงว่าโอ้อันนี้มันก็แค่ธาตุล้มเราปล่อยวางซะหรือไม่ก็เจริญเมตตายเข้าไป อันนั้นๆคุณเจริญสมถาวิปัสสนาไปพร้อมๆกันแล้วคุณจึงปล่อยวางได้อืมค่ะก็เท่ากับว่าเป็นเป็นการปรากฏขึ้นของของของความรู้ถูกไหมคะอืมใช่ของความรู้จากการปฏิบัติใช่ว่าพอปฏิบัติสมถะได้ จิตนิ่งเป็นอารมณ์เดียวแล้วจะเกิดความรู้เมื่อเมื่อมันได้ได้ที่แล้วถูกไหมคะใช่มันจะเกิดความรู้ที่ตามมาก็คือ ก, ก็คือความรู้ตามที่เป็นจริงความปลอ่อยวางได้ค่ะอ๋ะอมันจะรู้ว่าเป็นเพียงาธาตุเท่านั้นใช่คุณจะปล่อยวางได้ เห็นรู้ทุกอย่างเป็นธาตุหมดเลยใช่ไหมคะไอที่ตามที่เป็นจริงเนะะี่ยค่ะคือการพิจารณาเห็นเป็นธาตุเนี่ยคือการเห็นตามที่เป็นจริงอย่างหนึ่งนะอธาตุก็ตามหรือว่าพิจารณาเห็นเป็นของไม่น่าไม่น่าไม่น่าดูไม่น่าพอใจก็ด้อะก็ได้เหมือนกันปฏิโกณอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันมีหลายแบบห ร, หรือบาง<ค>ทีเราพิจารณาความตายในขณะที่ฟังเสียงเขาก็ได้ หมายความว่ายัางไงคะพิจารณาความตายในขณะที่ฟังเสียงเขาเ อ, อหมายความว่าถ้าเราฟังเขาอยู่เนี่ยเราเกิดเป็นอกุศลขึ้นมาใช่ไหมคือคนที่พิจารณาความตายเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าเออเราจะตายอยู่ได้ตลอดเวลานะถ้าเกิดเราจะตายขึ้นไปตอนเนี้มีอยู่หรือไม่อ่าอกุศลทําทั้งหลายที่เรายังละไม่ได้อุ้ยตายแล้วถ้าเราโกรธเข้านี่เราจะตกอยู่ในพวกแรกเลยนะเรารีบละอกุศลดีกว่าอคือต้องครบทั้งกระบวนการใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ ที่ต้องถามอย่างนี้เพราะที่ฉันเข้าใจว่าในบางส่วนของตัวอย่างที่ท่านยกเนี่ยคนบางคนอาจจะบอกไม่เคยทําทั้งสมถะและไม่รู้ว่าวิปัสสนาเป็นยังไงอืมแต่เคยมีความรู้สึกนี้เมื่อเวลาพบเห็นความตายว่าเอ๊ะเราเคยมีความรู้ว่าถ้าเราตายไปโดยไม่รู้วิธีที่จะวางจิตวางใจให้ถูกมันจะเดือดร้อนอะไรเงี้ยนะคะอเกิดความรู้สึกนั้นแต่มันวางไม่ได้ อือันนี้ก็แตกต่างกันอืมถูกต้องใช่ไหมคะอั น, นอันนี้ถือว่ารู้แบบไม่ใช่รู้แบบอ่าเป็นความรู้ทางธรรมที่มันจเจริญขึ้นมาจากการปฏิบัติอันนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าคุณก็เห็นตามที่เป็นจริงอีกแบบหนึ่งนะโดยที่เราเอาเรื่องความตายเข้ามาจับช่วยด้วยซึ่งอาจจะเป็นวิปัสสนาก็ได้อันนี้เป็นวิปัสสนาเนี่ยอ๋อเหรอค่ะอืมคือคืออันนี้เป็นการปรุงแต่งของจิตที่เกิดขึ้นมาใช่ไหม ซึ่งถ้าเราจะพูดไปมันก็คือเป็นทุกขาปาฏิพตาอันหนึ่งที่จะทําให้ละวางได้ซึ่งทุกขาปาฏิพตาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราต้องพิจารณาเห็น่ามที่เป็นจริงเห็นของปฏิบุตรบุญเน่าซึ่งพวกนี้เป็นมีปัสนาทั้งทิ่งเลยอืมค่ะนะคะดังนั้นก็เลยเกิดอยากจะถามแทนบางท่านที่จะต้องถามท่านพิบูรณ์ในลักษณะของคนที่ผ่านการเรียนที่รู้ว่าถ้าจะเรียนให้จบ ชั้นนี้ต้องใช้เวลาชั้นละกี่ปีกี่ปีเนี่ยจะต้องเรียนใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะจบวิชาสมถะแล้วขึ้นชั้นไปวิปัสสนาคะท่านครับ อ, อ๋อจริงๆมันไปพร้อมกันได้นะคุณยมติวค่ะจริงๆต้องทําไปพร้อมกันด้วยถึงจะถูกอ อ, อย่างไรก็ตามบางคนก็จะแบ่งภาคในะลักษณะว่าเออทาสมถะไปก่อนบ้างแล้วก็มาทําวิปัสสนาคือจริงๆแล้วมันไปพร้อมกันได้อถ้า ในลักษณะที่คิดว่าน่าจะถูกต้องมากที่สุดเนี่ยควรจะทําแบบที่เราเรียนหนังสือในโลกปัจจุบันคืออนุบาลปถมมัธยมอุดมศึกษาอือย่างนั้นหรือว่ามันไม่ใช่หรอกมันเรียนไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าในระดับของเป็นขั้นๆ น, นั้นก็มีนะคือกิเลสที่เป็นขั้นๆหนาบางได้ไล่ๆไล่ๆขึ้นไปออย่างเช่นว่าพระเจ้าเคยพูดถึงการที่ฝึก คนเป็นขั้นๆอย่างที่คุณโยมติโยกตัวอย่างอนุบาลประฐมมัธยมใช่มครับพระเจ้าก็ฝึกคนเป็นขั้นขัเหมือนกันอันดับแรกให้รู้เรื่องศีลก่อนอันดับต่อไปให้รู้เรื่องการกินรู้เรื่องการกินเสร็จแล้้มีสติใมีสติแล้วก็มีสัมมาชัญญามีสัมมาชัญญ า, ารู้จักการอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตืน่นนอนตีสเออนอนสี่ทุ่มตื่นที่สทําไปเข้าสมาธิให้ได้อธิจิตขึ้นไปอธิปัญญาขึ้นไปอันนี้เป็นลําดับขั้นไปก็มีแล้วที่ต้องแบบเรียกว่รวมๆกันไปได้เลย ก็มีก็คือไอ้สตินี่ต้องมีตลอดสีนี่ต้องมีตลอดพูดถึงเครื่องแบบนี่ก็ต้องทำอยู่ตลอดนี้ก็เป็นได้ค่ะทีนี้อย่างที่ท่านพิบูล์ได้พูดอยู่เสมอว่ามีการเปิดหลักสูตรเด็กเลนเนี่ยหลักสูตรของท่านจัดไว้อยู่ในประเภทใดคะเ อ, อ่อก็จะเป็นประเภทแรกนะแล้วก็ประเภทที่สองสำหรับคนเก่าคือหมายว่าคนใหม่เนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลย นะจะเป็นประเภทแรกเพราะว่าในแต่ละวันเราก็จะค่อยๆ <c oughs> ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปนะข้อมูลข่าวสารที่จะมอบให้ก็จะสําหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ในขณะเดีดยวกันผู้ที่ปฏิบัติเดิมอยู่แล้วเนี่ยได้ทราบข้อมูลรอบแรกไปแล้วเนี่ยเขาจะสามารถปฏิบัติต่อได้เหมือนกันนะโดยการที่เขาทําต่อเนื่องไปแล้วนะเราก็จะมีข้อมูลที่ให้เพิ่มเติมบ้างแล้วนะก็จะมีส่วนที่ให้เขาปฏิบัติเองให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปได้เหมือนกัน ออันนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะคะท่านตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไม่ทราบว่าบุคคลที่เราอยากจะพูดถึงเนี่ยก็สงวนความเป็นส่วนตัวมากแค่ไหนไม่เอ่ยชื่อก็ได้คะ่ะยัได้ยินว่าอศิลปินดังๆอืก้องฟ้าเมืองไทยตอนนี้ไปปฏิบัติธรรมด้วย อ, อที่บอกว่าเป็นเปนศิลปินผู้หญิงแล้วบอกว่าโหปฏิบัติดีมากะะอะไรเงี้ยค่ะ ก, ก็มาปฏิบัติกันคือโดยเฉพาะอย่งยิศิลปินเนี่ยแต่มาคิดว่าควรจะต้องมาปฏิบัติเลยนะเพราะว่าอารมณ์ศิลปินแรต่างมันจะออกมาได้เนี่ยมันจะต้องแม้แต่ศิษต้องเป็นสมาธินะค่ะถ้าคุณไหลไปตามตาหูชูหมกลิ้นกายเนี่ยศิษยคุณไม่ได้เรื่องมันคิดอะไรไม่ออกอะ่ะแล้วแลเท่าที่คืออาจจะมีหลายคนบอกโอ้โหไม่ได้เป็นศิลปินหรอกแต่อารมณ์ยิ่งกว่าศิลปินอีกอ <c oughs> <c oughs> จากประสบการณ์ของท่านที่ได้สอนบุคคลในลักษณะนี้เนี่ยได้พบอะไรคะเออไม่ได้เป็นศิลปินแต่อารมณ์ยิ่งกว่าศิลปินอารมณ์ยิ่งกว่าศิลปินหมายความว่าถูกฉื่อุดดึงไปโดย<ค>ตาหูจมูกจมูกคือใช่ค่ะคือเป็นคนที่วื่นวามากเอาก็จะเขาจะทําให้เขาเนี่ยอไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้ง่ายเขาก็จะเป็นแบบลุกขึ้นบ่อยๆไปนั่นไปนี่แล้วก็อยู่ไม่นิ่งว่า ง, งั้นเถอะอืมพอไม่นิ่งแล้วตัวเองก็จะปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ อย่างนี้จะเกิดประโยชน์ไหมคะกับการที่ไปปฏิบัติในเมื่อบุคลิกภาพพื้นฐานดูเหมือนไม่เอื้ออํานวยให้การปฏิบัติก้าวหน้าคะท่ะนคะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องฝึกไงถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้หรอกเราก็เลยไม่ไปอุ้ยมันแหมคุณยมติวคิดดูเด็กน้อยที่เขาโตออายุสามขวบหนึ่งสองขวบเขากำลังฝึกเดินอย่างเงี้ยเขาลุกขึ้นแล้วก็ลมลุกขึ้นแล้วก็ลมแล้วเขาจะมีความคิดแบบว่าโอ๊ยฉันเลิกเดินละแม่จะเลี้ยงตลอดชีวิตแล้วกันมันไม่เป็นนะจะทำอย่างไงไม่ได้ ท่านคะแล้มีไหมคะที่เป็นบุคลิกภาพแบบนี้แต่ว่าตอนหลังนี่เปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือเลยโอมีแหมเยอะแยะไปหมดถ้าเป็นเช่นนั้นนี่เป็นเพราะวิธีการเช่นไรหรือเป็นเพราะอะไรครับนะเ อ, อ่อเพราะว่าเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางได้อะไรถูกอะไรผิดเพราะเขารู้ข้อมูลสิ่งที่ถูกที่ผิดแล้วเนี่ยเฮ้ยก็จะต้องเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าเราอยู่ในแดนไม่ดีเราก็เปลี่ยนมาเป็นคนดีอส่วนใหญ่แล้วการปฏิบัติธรรมต้อง สักกี่ครั้งคะถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนอย่างนั้นโอ้บางคนนี่ก็แค่ครั้งเดียวแต่บางคนในครั้งหนึ่งเอาแค่สามวันพอสามวันแรกก็เห็นผลละบางคนนี่ต้องมาหลายรอบก็เป็นอืมค่ะก็แล้วแต่แต่ว่ามีโอกาสเห็นผลแน่นอนอขอเพียงแต่ให้มามีประสบการณ์นี้ก็แล้วกันใช่ใช่ไหมครเพราะฉะนั้นทุกท่านก็มีโอกาสที่จะ ได้เห็นผลอืมถูกต้องเรื่องนี้ประเด็นตรงนี้อาจจะมีอะไรที่เพิ่มเติมอยู่หลายอย่างเหมือนกันก็จิดว่าจะคุยต่อในวันพรุ่งนี้ได้ใครสนใจเรื่องปฏิบัติพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อเลยเพราะดูเวลาก็คงจะคุยมากกว่า น, นี้ไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะน้ำส ก, การขอบพระคุณท่านไปบูุญเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะได้พานท่านฟังค่ะนี่คือรายการสรมมนาสนท น, นานะคะยังก็ทําเกี่ยวกับเรื่องจะไปปฏิบัติได้หรือเปล่าอย่างไรเพื่อที่จะให้ท่านได้คําตอบ โดยไม่ต้องไปซักถามด้วยตนเองนะคะรายการสัสนีสนทนาจะกลับมาพบท่านใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทอ s m 1 0 6แห่งนี้ล่ะคะ่ะดิฉันสัสนินฐาโพงลากันไปก่อนนะคะพุทธวัตรสวัสดีคะ่ะ